ท่านในทองว่าเรจาจักอดกลั้นต่อคำล่วงเกินดุดช้างอดทนต่อลูกสอนในสงครามอ้างอิงคาถาธรรมบทนาขวักที่23สาคำดาทอเหมือนหอกดาบที่แหลมคมเหมาะเอามาใช้ฝึกจิตมีคาถาอยู่บทหนึ่งซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกที่ใครท่องขึ้นใจแล้ว อาสยบอาการเลือดขึ้นหน้าตอนถูกด่าได้ท่านให้ท่องว่าเราจะอดกลั้นต่อคาล่วงเกินดุดช้างอดทนต่อลูกศรในสงครามเมื่อท่องอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดเรื่องจะเกิดนิมิตทางใจราวกับเป็นอาวุธที่คนเราใช้ทิ้มแทงกันจิตวิญญาณที่ทนรับไม่ได้ก็ตายกลายเป็นผีบ้าในสงครามส่วนจิตวิญญาณที่อดกลั้นอยู่ ดูสง่างามเหมือนช้างศึกที่ไม่กลัวคมหอกคมดาบและสัตว์ราทั้งหลายท่านว่าคนทุตศีลมีอยู่มากสนุกกับการพ่นคำล่วงเกินอันมีพิษสรงร้ายกาศกันมากท่านที่มองว่าเป็นเรื่องดีเราจะได้อาศัยโลกนี้เป็นที่ฝึกใจเพราะในหมู่มนุษย์ที่ได้ฝึกแล้วอดทนต่อคำล่วงเกินได้แล้วจะเป็นผู้ประเสริฐสุด เหนือกว่ามาอาสดรม้าอาชาในและช้างกุญชรที่นายควานฝึกแล้วเมื่อชีวิตต้องลุยไปในดงคำดาคุณจะรู้สึกถึงนิมิตของจิตวิญญาณอันเป็นของภายในที่แตกต่างไปเรื่อยๆไม่มืดมัวหมุนหมองเสื่อมเสียลงก็ส่องสว่างอาภาสง่างามขึ้นทุกอย่างอยู่ที่จิตตั้งต้นว่าจะยอมกรีดร้องบ้าคลั่งตามความเจ็บปวด หรือจะเลือกเส้นทางอดกลั้นต่อพิดบาดแผลของหอกดาบที่ทิ่มแทงมาเห็นว่าลมหายใจนี้เจ็บปวดแค่นี้เห็นว่าลมหายใจต่อมาก็เบาลงเองไม่ต้องเรง่งไม่ต้องเก็บกดหรืออัดอันอันใดเราเป็นช้างศึกวิเศษที่หายบาดเจ็บเองได้ด้วยการฝึกสังเกตความไม่เที่ยงของความรู้สึกเจ็บปวดได้อย่างนี้